โอวาทข้อที่สี่ความท่อมตนคำพีอี้จิงได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดยกตนข่มท่านอวดวิเศษกว่าผู้อื่นย่อมต้องประสบความเสียหายผู้ใดอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่จองหองลำพองตนย่อมต้องประสบความสุขความเจริญแม้แต่เป็นดินก็หนีกฎนี้ไม่พ้นดูแต่ขุนเขาที่สูงตรงานยืนทมืนเยย้าทาดินก็ยังต้องพังทรายอยู่หนึ่ ง, งส่วนแอ่งน้ำที่ต่ำต้อยนั้นกลับมีน้ำขังอยู่ตลอดเวลาแม้แต่พิศ์ ก็ชอบให้ร้ายคนทนงและพิบาลคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนในวิชาโป้อย่วยนั้นได้แบ่งออกเป็นหกสิบสี่หน่วยหน่วยอื่นๆล้วนสอนให้เห็นผลดีและผลชั่วในพฤติกรรมของมนุษย์แต่หน่วยแห่งการอ่อนน้อมถ่อมตนนี้ไม่มีผลชั่วเลยมีแต่ผลดีทั้งสิ้นจึงเห็นได้ว่าฟว้าเดินเทพยะดา ผีปีศาจและมนุษย์ล้วนนิยมชมชอบความอ่อนน้อมถ่อมตนกันทั้งสิ้นในคำพีอื่นๆก็กล่าวเหมือนกันว่าทนงตนย่อมนำมาซึ่งควา ม, มบิติถ่อมตนย่อมนำมาซึ่งความเจริญพ่อได้ไปร่วมสอบไล่กับนักศึก ษ, ษาอื่นๆตั้งหลายครั้ง ทุกครั้งพ่อสังเกตเห็นนักศึกษาที่ยากจนบางคนบนใบหน้ามักทอประกายแห่งความทมตนจนบางครั้งพอคิดอยากจะเอามือทั้งสองของพ่อประคองประกายแห่งความทมตนนั้นมาประดับบนใบหน้าของพ่อเสียบงและไม่ต้องสงสัยเลยพวกเขาเหล่านี้สอบไล่ได้ทุกทีไป เมื่อตอนที่พ่อเข้ามาสอบในเมืองหลวงมีเพื่อนนักศึกษาร่วมเดินทางมาด้วยรวมทั้งหมดสิบคนด้วยกันพ่อสังเกต ด, ดูเห็นมีคนอายุน้อยที่สุดมีชื่อว่าปิงคนเดียวที่มีความสงบเสงี่ยมเจียมตนมีความถ่อมตนอยู่เป็นนิดพ่อจึงบอกกับเพื่อนๆว่าคนคนนี้ต้องสอบไล่ได้แน่นอนเพื่อนถามว่า ทำไมพ่อเธอรู้ร่วงหน้าได้ล่ะพ่อบอกเขาว่าความทำตนย่อมนำมาซึ่งความเจริญในหมู่พวกเราทั้งสิบคนนี้มีใครบ้างที่ซื่อและจริงใจเหมือนเขาคอยเอาใจเพื่อนฝูงไม่เคยเอาเปรียบใครเลยแม้ใครจะหยอกล้อก็ไม่โกรธตอบใครนินทาว่าร้ายก็ไม่โต้เถียงสำรวมระวัง ไม่ยอมปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์เหมือนคนอื่นคนเช่นนี้แม้แต่ผีสางเทวดาวฟ้าด่นก็ยังต้องให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือเมื่อผลการสอบไลค่ครั้งนั้นปรากฏออกมาก็เป็นจริงดังที่พ่อคาดไว้ทุกประการเมื่อปีคริสตศักราช1557 เรือพุทธศักราช 2,120 พออยู่ในเมืองหลวงพักกับเพื่อนชื่อใครจือแซ่เพิงพอสังเกตดูรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปมากเมื่อเด็กๆ เ, เขาขี้เล่นซุกซนและเจ้าอารมณ์แต่บัดนี้ดูก็มีสติควบคุมอารมณ์ได้ดีมากเขามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นคนดีมากจราดซื่อตรง ชอบช่วยเหลือเพื่อนคุณธรรมสามประการนี้สมแล้วที่จะขนานนามว่าก an ัญยาณมิตรเขามักจะติดเตียนใครจืตอตอหน้าใครจือไม่เคยโกรธหรือโต้อตอบเขาเลยรับฟังอย่างอารมณ์ดีเสมอพอจึงบอกเขาว่านิสัยอันดีงามของเขานี้ย่อมเป็นปัจจัยนำเขาไปสู่ความมีบุญวาสนา ส่วนคนที่ต้องประสบเคราะห์กรรมก็เป็นเพราะเขาสร้างนิสัยไม่ดีงามเป็นเหตุปัจจัยนำเขาไปสู่ความหายนะเช่นกันสําหรับเพื่อนนั้นแม้ฟ้าดินก็ต้องประทานความช่วยเหลือปีนี้เพื่อนจะต้องสอบไล่ได้อย่างแน่นอนต่อมาก็เป็นจริงดังที่พ่อพูดกับเขาไว้ มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งแซ่เจ้าสอบไล่ได้ในภูมิลาเนาของตนเมื่ออายุยังไม่ถึงยี่สิบปีแต่ต่อจากนั้นจะไปสอบกี่ครั้งก็ไม่เคยสอบไล่ได้อีกเลยต่อมาได้ติดตามท่านบิดาที่ต้องย้ายไปรับราชการที่อำเภออื่นในอำเภอนั้นมีบัณฑิตที่มีความรู้สูงอยู่ท่านหนึ่งแซ่เฉียเด็กหนุ่มได้ทราบข่าว ก็รีบนำบทประพันธ์ของตนไปหาเพื่อขอคำแนะนำโดยไม่ขาดฝันท่านบัณดิตจะพผู้กันได้ก็ตวัดข้อความในบทประพันธ์นั้นทิ้งเกือบหมดถ้าเป็นบางคนก็จะโกรธมากแต่เด็กหนุ่มคนนี้นอกจากจะไม่โกรธแล้วยังขอพระคุณท่านบัณดิตแล้วรีบเขียนใหม่นำมาให้ท่านแก้ไขให้อีกด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้ เป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งพอรุ่งขึ้นอีกปีหนึ่งเด็กหนุ่มก็สอบไล่ดาวเมื่อปีคริสต์ศักราช1592หรือพุทธศักราช2135พอได้ไปเมืองหลวงเพื่อเข้าเฝ้าฮองเต้ได้พบกับเพื่อนคนหนึ่งดูเขาช่างมีความจริงใจและอารมณ์ดีสนิกระไรประกายแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตน ฉายแสงอยู่ทั่วบรรยากาศที่ราปอบตัวเขาทำให้พ่อได้สัมผัสกับประการนี้ด้วยความชื่นชมพ่อกลับจะเข้าเฝ้าได้เล่าให้เพื่อนๆฟังว่าหาบฟ้าจะประทานความจเจริญรุ่งเรืองแก่ใครมักจะประทานสติปัญญาให้ก่อนเมื่อมีสติปัญญาแล้วคนที่เจ้าอารมณ์ก็จะเปลี่ยนเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ คนที่อวดดีก็กลายเป็นคนท่อมตนได้เมื่อพัฒนาตนเองได้แล้วฟ้าย่อมประทานความเจริญรุ่งเรืองมาให้และก็เป็นจริงดังว่าเขาสอบไล่ได้ในปีนั้นเองเมื่อปีคริสต์ศักราช1534รืยพุทธศักราช277 มีนักศึกษาแซ่จางคนหนึ่งมีความรู้ดีเขียนบทความก็ดีเป็นคนเด่นคนหนึ่งในบรรดานักศึกษาทั้งหมดเขาเดินทางมานานกิ่งเพื่อเขาสอบพักอยู่ที่วัดวัดหนึ่งเมื่อผลการสอบประกาศออกมาปรากฏว่าสอบตกแทนที่จะโทษตนเองว่าความรู้ยังไม่ถึงจึงสอบไม่ได้แต่กลับโทษกรรมการกลุ่มสอบ หาว่าไม่ยุติธรรมมีตาก็หามีแววไม่บทประพันธ์ดีๆก็หาว่าไม่ดีหลวงจีนในวัดท่านหนึ่งได้ยินเข้าจึงยืนยิ้มอยู่เขาก็เลยพาดโกรธท่านหลวงจีนไปด้วยหลวงจีนจึงกล่าวกับเขาว่าดูๆแล้วเห็นทีบทประพันธ์ของท่านไม่ดีจริงเขายิ่งโกรธใหญ่แต่ว่าหลวงจีนว่ายังไม่ทันเห็นบทประพันธ์จะรู้ดีว่าไม่ดีได้อย่างไร หลงจีนจึงพูดว่าการประพันธ์ต้องอาศัยความสงบทางใจจิตเป็นสมาธิจึงจะเขียนได้ดีท่านควบคุมอารมณ์ไม่ได้วันไหวอยู่ตลอดเวลาจะเขียนบทประพันธ์ได้ดีอย่างไรได้นักศึกษาจางได้สติจึงคุกเข่าขอคามาและมอบตัวเป็นศิษย์ หลงจีนจึงสอนว่าการสอบไล่ได้หรือไม่ล้วนขึ้นอยู่กับชะตาชีวิตถ้าชะตาไม่ดีแม้จะเขียนบทประพันธ์ได้ดีอย่างไรก็สอบไม่ได้จึงต้องแก้ไขที่ตนเองซะก่อนนักศึกษาจานกราบถามท่านว่าหากขึ้นอยู่กับชะตาชีวิตแล้วจะแก้ไขได้ไหมหลงจีนพูดว่าฟ้าประทานชีวิตให้เรา แต่ชะตาชีวิตเราต้องสร้างสมองหากกระทมแต่ความดีมีศีลมีธรรมชอบช่วยเหลือผู้อื่นยิ่งไม่มีผู้รู้เห็นก็ยิ่งเป็นกุศลมหาศาลเมื่อเราสั่งสมความดีจนเต็มเปี่ยมแล้วเราจะต้องการชะตาชีวิตอย่างไรก็ได้ทั้งนั้นนักศึกษาจางจิงปรารบบอข้าพเจ้าเป็นคนจนจะมีปัญญาช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างไร ท่านชี้แจงว่าการทำความดีต้องเริ่มที่ใจมุ่งแก้ไขตนเองซก่อนเช่นการอ่อนน้อมถ่อมตนก็ไม่ต้องใช้เงินเลยทำไมท่านไม่ตำหนิตนเองว่าความรู้ยังไม่เพียงพอจึงสอบตกแต่กลับไปด่ากรรมการคุมสอบละนักศึกษาจางเพิ่งได้คิดจึงเริ่มปฏิบัติตนสมัย ลดความหยิ่งผยองลงไปทุกวันทุกวันเพิ่มคุณธรรมให้กับตนเองมากยิ่งขึ้นทุกวันทุกวันครั้นอีกสามปีต่อมาในปีคริสต์ศักราช1 5 3หหรือพุทธศักราช2080ในคืนมาหนึ่งเขาฝันไปว่าได้ไปในตึกสูงใหญ่หลังหนึ่งเห็นบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่สอบไล่วางอยู่เล่มหนึ่ง เมื่อเปิดออกมาดูเห็นทุกหน้ามีช่องว่างเกิดความสงสัยจึงถามคนที่ยืนอยู่ไกลๆว่าทำไมบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่สอบได้แล้วยังมีการคัดออกอีกเล่าได้รับคำตอบว่าเนื่องจากผู้ที่สอบไล่ได้แล้วจะต้องผ่านการตรวจสอบในยมโลกทุกๆสามปีถ้าใครมีความประพฤติไม่ดีไม่อยู่ในธรรม ก็จะถูกคัดชื่อออกจะสอบอีกอย่างไรก็สอบไม่ได้เราชี้ไปที่ว่างบนสมุดบัญชีนั้นว่าสามปีมานี้เจ้าตั้งใจฝึกตนให้ก้าวหน้าไปมากก็จะเอาชื่อเจ้าไว้ตรงนี้ขอให้เจ้ารักตนสงวนตนอย่าได้วู่วามทําผิดเหมือนดังแต่ก่อนดีปีนั้นเขาก็สอบไล่ได้ที่หนึ่งร้อยห้า เมื่อดูเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วย่อมจะเห็นได้ว่าสูงจากศีรษะมนุษย์ขึ้นไปเป็นสามฟุตก็มีเจ้เจ้าคอยเฝ้าดูอยู่แล้วเราจะต้องทำแต่สิ่งที่เป็นมงคลหลีเกเลี่ยงการกระทำอันเป็นอัปมงคลเสียจะดีจะชั่วจึงอยู่ที่ตัวเราเองถ้าควบคุมจิตใจและความประพฤติของเราให้ดี ไม่ทำสิ่งที่ฟ้าดินและผีสางเทวดาไม่พอใจไม่ยิงไม่โอหังไม่วู่วามอดทนในสิ่งที่ทนได้ยากฟ้าดินและผีสางเทวดากะย่อมจะสงสารเราเห็นใจเราประทานความช่วยเหลือแก่เราคนที่จะเป็นใหญ่เป็นโตในอนาคตย่อมไม่ทำให้จิตใจคับแคบเห็นแก่ตัว ย่อมไม่เป็นผู้ทำลายความสุขความเจริญของตนเองความถ่อมตน้าไม่มีโอกาสที่จะได้รับการอบรมสั่งสอนจากท่านผู้รู้ได้รับประโยชน์จากท่านเหล่านั้นไม่จบสิน้นนักศึกษาจึงควรทำตัวเชน่นนี้ลูกจงจำไว้ว่าคนที่ยกตนข่มท่านถือดีอวดเบ่งนั้นแม้จะ ด, ดิบดีด ก็ไม่ยั่งยืนนานโบราณท่านว่าไว้ว่าปรารถนาชื่อเสียงย่อมได้ชื่อเสียงปรารถนาความร่ำรวยก็ย่อมได้เป็นเศรษฐีความปรารถนาของมนุษย์เปรียบกระดุดรากแก้วของต้นไม้เมื่อยังลึกลงดินแล้วต้นไม้ก็จะมีกิ่งก้านไผศารออกดอกออกผลตามฤดูกาล รากแก้วของมนุษย์ก็คือการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือว่าเรื่องใหญ่เราจะต้องยึดมั่นในคุณธรรมข้อนี้ถ่อมตนไว้เสมอให้ความสะดวกแก่ผู้อื่นเมื่อไม่ทำให้ผู้อื่นสะเทือนใจเพราะความโอทดดของเราแล้วฟ้าดินย่อมประทับใจในความดีของเรา พวกนักศึกษามักบนบวงเทพยายดาฟ้าดินขอให้สอบไล่ได้แต่พวกนี้ไม่คนมีความจริงใจการบนบวงจึงไม่ได้ผลนักปราดทันเม่งจื่อพูดกับพระเจ้าฉีวเหวียนหวงว่าพระองค์โปรดดนตรีถ้าโปรดด้วยความจริงใจแล้วใส่ชะตาของประเทศฉีก็จะครุ่งเรืองสุขัยเป็นแน่แต่นี่พระองค์โปรดดนตรี ความสุขของพระองค์เองหากพระองค์สามารถขยายความสุขส่วนตัวนี้ให้แผ่ไปสารไปในดวงใจพองรัศดรทุกคนแล้วใส่รัาดรก็จะมีความสุขเหมือนดังพระองค์และทุกคนก็จะจงรักภักดีต่อพระองค์อย่างสุดหัวใจเมื่อนนั้นจะตาของบ้านเมืองฉีจะไม่รุ่งเรืองสุขใสยอย่างไรเมื่อลูกของการสอบไล่ได้เป็นขุนนาง ลูกจะต้องตั้งความปรารถนาไว้ดุดรากแก้วของต้นไม้แน่วแน่ที่จะตองความดีไม่ท้อถอยสั่งสมความดีงามให้ได้ทุกทุกวันลดความถือดีอวดดีให้หมดสิ้นไปสร้างอนาคตด้วยตัวลูกเองชะตาชีวิตจะทำอะไรได้ขอให้ลูกจงเพียรพยายามต่อไปเถิดความสำเร็จ ย่อมรอลูกอยู่แล้วอย่างแน่นอนขอให้ท่านผู้ฟังที่ตั้งใจจะทำดีละชั่วอย่างน้อยจงเพิ่มหนึ่งตัดหนึ่งให้ได้ทุกวันไปถ้าเพิ่มความดีได้มากกว่าหนึ่ง และตัดความไม่ดีได้มากกว่าหนึง่งก็จะยิ่งประสบความสำเร็จในการสร้างอนาคตได้เร็วขึ้นดำเนินการบันทึกเสียงโดยเสียงเอกท่านที่ประสงค์จะเผยแพร่เป็นธรรมทานโปรดติดต่อที่ธรรมสภาสามสิบห้า ทับสองเจซอยจรันสนิทวงหกสองถนนจรันสนิทวงบางพลัดกรุงเทพหนึ่งศโทรศัพท์ส3 4สา6สี่สามห้าหหสสามสี่สี่โทหเจ็ด